บนฐานแห่งหลักความสัมพันธ์ของชีวิตสามด้านทรงตั้งหลักตรสิกขาให้มนุษย์พัฒนาอย่างบุรณาการเมื่อรู้ข้าใจหลักความสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่การของชีวิตสามด้านนั้นแล้วก็นำหลักนั้นมาใช้ในการพัฒนาชีวิตเริ่มตั้งแต่พัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้นโดยฝึกด้วยความตั้งใจ และมีความเข้าใจให้เกิดปฤติกรรมที่ดีงามเกื้อกูลขึ้นมาติดตัวหรือประจำตัวเรียกว่าศีลโดยทั่วไปในการฝึกให้เกิดศีลเราจะใช้วินยัยเพราะว่าวินัยนั้นเป็นตัวกําหนดรูปแบบวินัยก็คือการจัดตั้งวางระบบกําหนดระเบียบแบบแผนในสังคมมนุษย์ ถ้าเราไม่มีระบบระเบียบแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์จะวุ่นวายมากเราจึงใช้วินัยเป็นตัวกำหนดหรือจัดระบบพฤติกรรมเมื่อพฤติกรรมของคนเป็นไปตามวินัยที่จัดตั้งวางกำหนดไว้ก็เรียกว่าศีลเวลานี้สับสนกันมากระหว่างคำว่าวินัยกับศีลจนกระทั่งบางทีก็ใช้เป็นอันเดียวกัน หรือไม่ก็แยกห่างกันไปคนละเรื่องเลยขออธิบายว่าวินัยคือการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนรวมทั้งตัวลายลักษณ์อักษรที่เป็นข้อกำหนวดว่าเราจัดวางระเบียบแบบแผนกำหนดพฤติกรรมกันไว้อย่างไรส่วนคุณสมบัติของคนที่ตั้งอยู่ในวินัยนั้นเรียกว่าศีลก็แค่นี้เอง วินัยนั้นอยู่ข้างนอกวินัยเป็นเครื่องมือฝึกคนให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นตัวหนังสือบ้างเป็นภาวะแห่งความเป็นระเบียบบ้างเป็นระบบแบบแผนที่กำหนดการฝึกบ้างตลอดจนเป็นการปกครองคือจัดการดูแลควบคุมคนให้ปฏิบัติหรือฝึกตนตามระบบระเบียบที่จัดตั้งไว้นั้นเมื่อคนปฏิบัติตาม จนความเป็นระเบียบกลายเป็นคุณสมบัติในตัวเขาแล้วการที่เขาปฏิบัติตามวินัยนั้นเราเรียกว่าศีลเพราะฉะนั้นคำว่ามีวินัยที่ใช้กันในสมัยนี้ก็คือศีลนั่นเองเรื่องนี้ยังมีข้อที่ควรทราบอีกมากแต่เวลาไม่พอจะต้องขอผ่านไปก่อนพูดก ร, ราวว่า การฝึกพฤติกรรมและการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดีงามเกื้อกูลจนเกิดเป็นคุณสมบัติขึ้นในตัวของเขาเรียกสั้นๆว่าศีลคือการมีพฤติกรรมและการสื่อสารสัมพันธ์ที่พึงปรารถนาเรียกเต็มว่าอธิศีลสิะขาเป็นอันว่าศีลก็คือกระบวนการฝึกพฤติกรรม และการติดต่อสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกการพัฒนาด้านจิตใจมีคุณสมบัติมากมายที่พึงต้องการเช่นเมตตาการุณาศราัทธากระตันยูกตาเวทีความเคารพความเพียรความเข้มแข็งอดทนความมีสติ ความมีสมาธิความร่าเริงเบิกบานผ่องใสความสุขและอื่นๆเรียกว่าอธิจิตตสิกขาแต่บางทีเรียกชื่อให้สั้นและง่ายเข้าโดยเอาสมาธิซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นแกนสำคัญมาเป็นตัวแทนจึงเรียกการพัฒนาด้านจิตทั้งหมดว่าสมาธิคำที่นิยมพูดกันในปัจจุบันว่า การพัฒนาทางอารมณ์ก็เป็นคำพูดเพี้ยนไปซึ่งมีความหมายรวมอยู่ในการพัฒนาด้านจิตใจที่กำลังอธิบายอยู่นี้ทำไมจึงว่าสมาธิเป็นคุณสมบัติแกนถึงกับเป็นตัวแทนที่ใช้เรียกชื่อการพัฒนาด้านจิตทั้งหมดตอบว่าในการพัฒนาจิตของคนนี้มีคุณสมบัติสำคัญที่สุดอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าขาดไปเสียคุณสมบัติอย่างอื่นก็จะตั้งอยู่ไม่ได้และการพัฒนาด้านจิตใจก็จะดําเนินไปไม่ได้เหมือนกับว่าเรามีของมากมายเราจะจัดเก็บตั้งมันไว้หรือเราจะทํางานกับมันหรือจะให้ของเหล่านั้นเจริญงอกงามขึ้นไปหรืออะไรก็แล้วแต่มีสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่ง คือฐานที่ตั้งหรือที่รองรับที่มั่นคงเช่นจะวางของบนโต๊ะโต๊ะก็ต้องมั่นถ้าโต๊ะสั่นไหวของอาจจะล้มหรือหล่นหายไปเลยหรือจะทางานกับของเหล่านั้นก็ไม่สะดวกหรือไม่สำเร็จแต่ถ้าโต๊ะที่ตั้งที่วางหรือที่รองรับนั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวของนั้นก็ตั้งอยู่จัดจัดจะทำอะไรกับมัน หรือจะให้เกิดการเคลื่อนไหวงอกงามเจริญขึ้นก็ทำได้ในทางจิตใจก็เหมือนกันคุณสมบัติที่เป็นแกนในการพัฒนาจิตใจก็คือภาวะที่จิตอยู่ตัวได้ที่ซึ่งช่วยให้คุณสมบัติอื่นๆตั้งอยู่ได้จเจริญ ง, งอกงามได้ตลอดจนช่วยให้ปัญญาทำงานได้ดีคุณสมบัติตัวแกนนี้เรียกว่าสมาธิ แว่าจิตตั้งมัน่นคือจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่อยู่กับสิ่งที่ต้องการหรืออยู่กับสิ่งที่ต้องการไม่ได้ตามต้องการเช่นอยู่กับหนังสืออยู่กับงานไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสมาธินี่แหละเป็นตัวแทนของกระบวนการพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นจึงเอาคาว่า สมาธิเมื่อเรียกแทนการพัฒนาคุณสมบัติด้านจิตทั้งหมดนี่เรียกว่าเป็นวิธีเรียกแบบตัวแทนแต่ตัวแทนนี้เป็นตัวแกนด้วยส่วนการพัฒนาปัญญาเรียกชื่อเต็มว่าอธิปัญญาสิกขาแต่นิยมเรียกง่ายๆสั้นๆว่าปัญญา คือกระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเป็นอันว่าการพัฒนามนุษย์ก็อยู่ที่สามด้านหรือ3ามด้านนี้ซึ่งดำเนินไปด้วยกันอย่งเกื้อหนุนแก่กันเป็นระบบแห่งบูรณาการการฝึกฝนพัฒนามนุษย์เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ต่างๆนี้สัป บ, บาลีเรียกว่าสิกขาฉะนั้น การฝึกสามด้านที่พูดมาแล้วจึงเป็นสิกขาสามด้านคำว่าสามนั้นภาษาบาลีคือติถ้าเป็นสันสกฤตก็คือไตรฉะนั้นจึงเป็นไตรสิกขาไตรสิกขาก็แยกเป็นศีลสมาธิปัญญาดังกล่าวแล้วซึ่งก็คือกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาเพื่อให้ชีวิตมนุษย์ดำเนินไปสู่ความสมบูรณ์คือภาวะที่เป็นผู้มีวิชาแล้วมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่ต้องมีชีวิตอยู่โดยพึ่งพาอาศัยอาวิชาตันหาอุปาทานและไม่ตกอยู่ใต้อำนาจครอบงำของมันอีกต่อไปก็คือพ้นทุกโดยกำจัดสมุทัยได้บรรลุจุดหมายคือนิโรธ เพราะปฏิบัติตามมักได้ครบถ้วนจะเห็นว่าอริยสัจสีมาครบหมดเลยทีเดียวเรื่องไตรสิกขาคือการที่จะพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญานั้นมีรายละเอียดมากดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติท่านจึงจำแนกออกไปเป็นข้อปฏิบัติย่อยทีละหมวดทีละประเภทซึ่งมีมากมายคือข้อปฏิบัติ และคุณสมบัติทั้งหลายที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา